ขนอมน้อมต่อคุณพระรัตนไตรขอกาสพระอาจารย์ยุกิพระอาจารย์นลงบิดพระอาจารย์ทรงศิลเพื่อนสัตว์มิรทุกท่านจเจริญธรรมไม่ชีและญาติธรรมทุกท่านเนาะต่อมันนี้เขาก็มีเกมตามหาอะไรสักอย่างนะโอเกมมอนอะไรเนี่ยนะตามหา <c oughs> เห็นว่าไปตามหาในสถานที่หลายหลๆแห่ง นะแม้แต่ในสถานีราชการก็ไปตามหากันนะหรือตามวัดก็ไปตามหากันนะหรือจริงๆแล้วไม่ได้อยู่ในคนขับรถนะคือเป็นคนขับเองก็ยังไปตามหาเลยมันเป็นเรื่องที่มันก็แปลกๆดีนะในยุคนี้การตามหาก็เป็นสิ่งที่ดีนะแต่ว่ามันตามหาอะไรนะในสมัยพุทธกาลเนี่ยพระพุทธเจ้าตอนที่ท่านตรัสรู้ใหม่ๆนะท่านก็ ออกเดินทางเพื่อที่จะไปแสดงธรรมในเสี่ยงต่างวันหนึ่งท่านก็ไปพักอยู่ที่ไล่ฝ่ายตอนสมัยนั้นก็มีลูกเศรษฐีสามสิบคนลูกเศรษฐีสามสิบคนนี่ก็มีด่บก้าคนนี่ก็มีภรรยาส่วนอีกคนหนึ่งก็ไม่มีภรรยานะก็เลยไปเช่าโสพินีมาเดินทางไปเที่ยวด้วยกันครั้นเที่ยวไปเที่ยวมาก็ไป เ, ไปเจอสระน้ำใหญ่แห่งหนึ่งมีความล่มลื่นสวยงามมาก ก็อยากจะพักผ่อนอ่าแล้วก็เล่นน้ําในบริเวณสระนั้นนะก็เลยอถอดเสื้อผ้าแล้วก็ของมีค่าต่างๆก็วางไว้ริมสระน้ําำแล้วก็ลงไปอ่าเล่นน้ํากันเนาะครั้นี้โสเพณีที่ไปเช่ามาก็เห็นของประดับที่มีค่าต่างๆก็เกิดความอยากได้เกิดความโลภขึ้นมาก็เลยขโมยของเหล่านั้นแล้วก็หนีไปอครั้นี้ลูกเศรษฐีก็ขึ้นมาจากในสระน้ําก็มาใส่เสื้อผ้า อืก็มาดูแววของ <c oughs> มีค่าหลายหลาอย่างก็หายไปนะก็เลยชักชวนกันอไปตามตามหาผู้หญิงโสเภณีนั่นแหละเพราะเป็นคนขโมยแน่นอนแล้วก็ตอนนี้ก็ไม่อยู่แล้วด้วยนะก็ตามหากันใหญ่อตามไปเรื่อยๆก็ไปพบพระเจ้ากําลังนั่งอยู่บริเวณอันในไร่ฝ้ายก็ถามพระเจ้าบอกว่าเห็นผู้หญิงคนหนึ่งเดินผ่านมาทั้งนี้ไหมพระเจ้าก็ถามว่าจะค้นหาผู้หญิง หรือจะค้นหาตัวเองนะครา น, นี้ลูกเศรษฐีพวกนี้ก็มีปัญญานะเบอกว่าจะค้นหาตัวเองนะพอพระเจ้าได้ฟังฉะนั้นก็เลยแสดงธรรมให้ฟังนะเมื่อแสดงธรรมจบแล้วนะหลังนั้นก็บรรลุธรรมนะแล้วก็ต่อมาก็ได้ส่งไปเผยแพร่ธรรมในที่ต่งตางๆนะครันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าคิดว่าทำไมการค้นหาสิ่งต่างๆเหล่านั้นนะจริงๆแล้ว กลับมาค e, ้นหาตัวเองเนี่ยมันจะดีที่สุดใช่ไหมมันไปค้นหาอะไรหลายรอย่างมันเป็นเรื่องที่ว่ามันมันก็ดีนะแต่มันเป็นเรื่องที่เรื่องเพลดเพลินไปในลมต่างๆใช่ไหมคนเราก็อยากค้นหาหลายหายอย่างใช่ไหมบางคนก็อยากจะรู้นู่นรู้นี่ก็ไปค้นหาอยากจะรู้เรื่องคอมพิวเตอร์ก็ไปค้นหาเรื่องคอมพิวเตอร์นะอยากจะรู้เรื่องไฟฟ้าก็ไปค้นหาเรื่องไฟฟ้าอยากจะรู้เรื่องก่อสร้างก็ไปค้นหาเรื่องก่อสร้างใช่ไหม อ่าบางคนก็อยากจะค้นหาสิ่งที่ไร้สาระก็มีนะอ่าค้นหาในสิ่งที่มันไร้สาระะนะเช่นค้นหาหวยออกออกเบอร์อะไรนะตามหากันบางทีก็มีกลุ่มนะอ่ามีข่าวลงหนังสือพิมพ์วัดนูน้นวัดนี้อะไรมี <c oughs> ใครสามารถให้หวยได้ก็ไปขอ <c oughs> หรือถ้าไม่มีงั้นก็ไปอมีการต้นไม้อะไรทั้งหลายแหล่นี้ก็ไปขอกันใช่ไหม อันนี้ก็เป็นการค้นหาอย่างหนึ่งนะอ่แต่จริงๆแล้วมันก็ค้นหาแต่ละอย่างเนะี่มันเป็นอยู่ที่ความสนใจแต่ละคนใช่ไหมใครชอบอะไรก็ไปค้นหาในสิ่งเหล่านั้นแต่จริงๆแล้วเนะี่ยคือการกลับมาหาค้นหาตัวเองเนี่ยดีที่สุดนะมันค้นหาอย่างอื่นมันเป็นการค้นหานอกตัวทั้งนั้นเลยใช่ไหมเดี๋ยวนี้ก็รู้หมดนะดาวังคารเนะี่ยมีอะไรบ้างใช่ไหมรู้หมดเนะี่ะมี อสิ่งต่างๆมาดาวคารนี่รู้นะอ่าหรือไม่ก็ใต้ทะเลใต้มหาสหมุทรนี่ก็รู้มากมายใช่ไม่มนะค้นหาไปทั่วนะจักรวาลหรือใต้มหาสหมุทรที่ลึกลับก็รู้หมดแต่ว่าไม่เคยกลับมาหาตัวเราเองเลยนะไม่เคยกลับมาค้นหาตัวเองนะคราวนี้พุทธศาสนานี่ก็ต่างอย่างที่อื่นใช่ไหมต่างจากเรื่องศาส น, อนานอื่นๆศาสนาอื่นนี่จะไม่ค่อยค้นมาหาตัวเองหรอกส่วนมากก็จะไปนค้นในเรื่องอื่นๆเยอะแยนะเนาะ อคราวนี้พุทธศาสนาเนี่ยก็คือกลับมาย้อนกลับมาค้นหาตัวเราเองให้รู้จักตัวเรเองนี่แหละนะเพราะจริงๆแล้วท่านเน้นในตรงไหน <c oughs> ก็คือเน้นให้ให้เห็นความทุกข์นั่นเองนะให้เห็นความทุกข์นี่นแหละร่างกายจิตใจนะว่ามีแต่ความทุกข์ที่เราสวดมนต์นั่นแหละว่าโดยย่ออุบทานขันทั้งห้าเป็นตัวทุกข์ก็คือกายและใจเนี่ยคือตัวทุกข์ <c oughs> ก็คือค้นหาว่าจริงๆนี่เราเห็นความทุกข์ไหมนะ มันไม่ได้ค้นหาว่าเห็นความสุขไหมมันไม่ได้มาค้นหาเออร่างกายเราสวยงามไหมมีความสุขไหมเป็นหนุ่มเป็นสาวไหมอะไรเงี้ยแต่ให้ค้นหาความทุกข์เนะีอย่างที่เราก็ศึกษามาในอริสัตตสีในข้อทุกข์ใช่ไหมข้อทุกข์ก็คือพระเจ้าเนี่ยให้รู้จักความทุกข์ทุกข์เป็นสิ่งที่ต้องรู้นะขีดของขีดของอริสัตตสีในข้อทุกข์ก็คือสิ่งต้องรู้สมุทัยเป็นสิ่งต้องละอ่า แล้วก็นิโรธเป็นสิ่งที้งทําให้แจ้งบัคเป็นสิ่งต้องทําให้เกิดเนี่ยก็คือไปค้นหาก็คือต้องรู้ในความทุกข์นั่นเองนะตรงเนี้เราเราเห็นความทุกข์หรื อ, อยังเนาะบางคนก็ไม่เห็นความทุกข์นะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เรียกว่าอ่าก็เป็นสิ่งที่บางทีมันก็อาจจะน้อยไปใช่ไหมคือจริงๆแล้วคนเรามันค้นหาความสุขมากกว่าใช่ไหมบางทีก็นั่งนึกเลยเออมีเพื่อนที่สมัยก่อนเดียนมาด้กันหรือว่าอะไรทั้งหลายแหล่ มีบางคนก็ทํางานดีๆบางคนก็เป็นเจ้าของธุรกิจต่างๆเขาคงมีความสุขเนาะแล้วเราทําไมมาบวชเนี่ยนึกไปนึกมาโอ้ไม่รู้ว่าจริงๆแล้เราจะมีความสุขมากกว่าเราหรือเปล่าใช่ไหมนันก็คือไปค้นหาความสุขกันใช่ไหมแต่เราก็มาค้นหาตัวเราเองเนาะก็มาเป็นนักบวชเราค้นหาตัวเราเองดีกว่าเนะไม่มีความสุขก็ไม่เป็นไรนะแต่ว่าเรารู้จักความทุกข์ไหมเนี่ยตรงนี้สำคัญกว่านะเมื่อเรารู้จักความทุกข์แล้วก็เราได้รู้จักว่าเออหนทางแห่งความออกจากความทุกข์เป็นอย่างไร ถ้าเราไม่รู้จักความทุกข์เราก็ไม่หาผลทางออกจากความทุกข์นะเพราะฉนั้นเสร็จทีทั้งหลายแหล่ใช่ไหมเขาจริงๆแล้วเขา ก, ก็น่าจะไม่รู้จักความทุกข์หรอกเพราะว่าความทุกข์เนี่ยเขาก็รู้เหมือนกันแต่ว่าเขาก็ไม่สนใจผ่านเลยนะเมื่ออาจารย์สนใจที่เทศเมื่อวันอมื่อเมื่อวันจันทร์น ะ, ะท่านบอกว่าที่ว่าอาพระโพธิสัตว์เนี่ยแล้วก็มีที่เหมือนกันโดนของกินโดนขโมยไปแล้วก็ถามน้องๆว่าเหมือนกระสงสัยว่าหายไปเพราะเหตุไร น้องบางคนก็ตอบว่าอาถ้าหากว่าขาโมยของอรับประทานของของท่านพี่ไปนะชาติหน้าให้เกิดเป็นคนร่ํารวยเป็นเศรษฐีอเป็นเศรษฐีทั้งหลายแหล่นะแล้วก็เพลิดเพลินในความสุขเหล่านั้นนะอันนี้น้องๆคนอื่นก็บอกว่าโอ้กล้าสาบานขนาด น, นี้เลยเหรอสแสดงว่าอาถ้าไปเป็นเศรษฐีร่ํารวยแล้วมันมันน่าสงสารน้องๆก็เลยสงก็เลย อเกิดความสงสัยโออทําไมถึงไปกล้าสาบายขนาดนั้นว่าให้เกิดเป็นเศรษฐีแต่สมัยนี้คนก็คงอยากได้นะออ ส, สาบายเป็นเศรษฐีนี่คงจะดีใช่ไหะแต่จริงๆลัชสมัยนั้นก็คือเขาไม่สนใจว่าความเป็นเศรษฐีอะไรกันเขากลับมารู้จักตัวเราเองนี่แหละอันนี้ที่ในกลุ่มบริษัทก็คงจะเป็นกลุ่มที่คนร่ํำรวยเหมือนกันแต่กลับมาค้นหาตัวเราเองนะกลับมาค้นหาตัว เ, เองว่ามันเป็นอย่างไรกันหน้าเนี่ยมันดีกว่าใช่ไหม อันนี้ก็มีการเปรียบเทียบในตรงนี้ที่ว่าถามพุทธเจ้าบอกว่ามีมผู้ถามพุทธเจ้าบอกว่าความเป็นจกักรพรรดิกับความเป็นโสดาบันอย่างไหนจะดีกว่ากันเนาะอันนี้ก็มีการเปรียบเทียบว่าความเป็นจักรพรรดนี่เป็นสิ่งที่เป็นไปได้ยากนะมีมีสิ่งที่เป็นแกว้วต้องหลายอย่างช้างแก้วม้าแก้วจักรแก้วนางแก้วอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยเป็นของที่เรียกว่ามีมีค่ายิ่งมีค่าล้ำเลิศ แล้วก็มีความยิ่งใหญ่นะหรือ ว, ว่าเป็นผู้ปกครองที่มีชื่อเสียงโดดเด่นนะประเทศอื่นๆก็ม า, าสวามิภักดิ์นะความมิจกักพันนี้ยิ่งใหญ่มากแล้วก็ร่ารวยแล้วในมีความสุขมากนะหรือ ว, ว่าใครๆก็อยากจะเป็นจกักรพรรดิกันนะแล้วก็เป็นได้ยากมากใช่ไหมแต่พระพุทธเจ้าบาาอกว่าความมิจักพันนั้นก็สู้ความเป็นพระโสดาบันไม่ได้เนาะอันนี้น เ, นเพราะว่าความเป็นพระโสดาบันเนี่ยจริงๆแล้วก็ดีกว่าใช่ไหม คราวนี้ความเป็จักรพรรดิเนี่ยถ้าตายแล้วยังไม่รู้ไปเกิดเป็นอะไรไม่รู้เกิดเป็นอะไรไมันไม่แน่ไม่นอนใช่ไหม อ, อาจจะไปเวียนว่ายตายเกิดเป็นอะไรก็ได้สัตว์ได้ชานเปรตสุกายสันโกมีโอกาสทั้งนั้นแต่ว่าความเป็นพระโสดาบันนี่เขาเรียกว่าปิดประตูใบยภูมิแล้วน ะ, ะไม่ต้องไปเกิดเป็นเปรตสุกายสันโลกสัตว์เดี้ยงช้านี่คือปิดประตูใบยภูมิเลย แล้วหลังนั้นก็เวียนบาบตายเกิดที่ไม่เกินเจ็ดชาติก็เป็นอเทวดาหรือเป็นมนุษย์ไม่เกินเจ็ดชาติเท่านั้นเองนะก็จะบรรูปเป็นพระละหันแล้วก็ถึงพระนิพพานในไม่ช้าก็คือไม่เกินเจ็ดชาติหรือจริงๆจะเร็วกว่านะออย่างเองกาพิชีนี่ก็เป็นแค่ชาติเดียวแล้วก็บรรลุเป็นพระละหันได้เลยนะ <c oughs> ตรงนี้ก็คือสรุปแล้วก็คือความเป็นพระสุรบัณ น, นี่ก็ง่ายกว่าและอย่างหนึ่งความเป็นจริญภาสนี่ยากกว่าเพราะว่า จะต้องเป็นกษัตริย์ต้องเป็นกษัตริย์ก่อนแล้วก็ไปพิชิตประเทศต่างๆต้องเยอะแยะใช่ไหมมันเป็นเรื่องที่ยากการเป็นกษัตริย์ก็ยากแล้วแต่ความเป็นพระโสดาบันนี่มันไม่ต้องเป็นกษัตริย์แต่เป็นคนทั่วๆไปเป็นสามัญชนนี่แหละแต่ว่าสามารถปฏิบัตธรรมแล้วก็บรรลุธรรมได้ก็เป็นก็สามารถที่จะเป็นพระโสดาบันได้ซึ่งจริงๆแล้วง่ายกว่าความเป็นจักรพรรดิแล้วก็มีประโยชน์มากกว่าด้วยเนาะ ครั้ น, นี้ก็บางคนก็สงสัยว่าโซดาบันนี่ดีขนาดนั้นแล้วจะทําอย่างไรเนาะก็มีมีบอกว่าความเป็นเปปโซดาบัล น, นั่นคือเราต้องบรรลุนะก็คือละสั่งโยได้สามอย่างเนาะสั่งโยสามอย่าง <c oughs> สั่งโยข้อที่แรกหนึ่งก็คือสักกรารทิฏฐินั่นเองนะก็คือการที่เราละความยึดมั่นถือมั่นในความเป็นตัวตนนี่แหละอันนี้คือข้อแรกเลยจริงๆแล้วนะสามข้อเนี้ยละข้ อ, ขอเดียวก็มีโอกาสเป็นเปปโซดาบัลได้คือสักกรารทิฏฐินี่แหละ ความที่เราเห็นว่าเป็นตัวเป็นตนนะตรงนี้เราเราสามารถเข้าใจไหมเราไปวิบัติธรรมแล้วเห็นไหมมันเป็นแค่รูปแค่นามนะมันไม่ไม่ใช่ตัวเราเป็นแค่กายแค่ใจตรงเนี้เราก็ละความยึดมั่นได้ในความเป็นตัวตนนี่แหละข้อแรกเท่านั้นเองนะที่ยากที่สุดอืข้อที่สองอก็คือวิจิตรฉาคือความลังเลสงสัยตรงนี้เราก็ส่วนมากไม่ลังเลสงสัยอยู่แล้วเพราะเราเป็นชาวพุทธนะลังเลสงสัยในคําสอนของพระเจ้าต่างๆ ในกฎแห่งกรรมต่างๆเหล่านี้นะเราก็ไม่สงสัยประการที่สามก็คือศีลละประประมาก็คือการยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่ไม่ถูกต้องในสิ่งที่ผิดๆเป็นที่พึ่งเป็นที่ระลึกเช่นยึดถือสิ่งอื่นแทนพระนรตายต่างๆเหล่านี้เป็นต้นก็คือไปยึดมั่นในสิ่งต่างๆที่ไม่ควรจะยึดในสิ่งเหล่านั้นนะแล้วก็รูปคําในศีลก็คือศีลก็ไม่ไม่ค่อยเรียบร้อยนะแต่จริงๆแค่ศีลห้าก็ใช้ได้แล้ว รักษาศีลห้าก็ใช้ได้อยู่เนาะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วมันก็ไม่ยากใช่ไหมการที่เราเป็นพระโสดาบันจริงๆก็ ง, ง, ง, ง, ง่ายกว่าจากักรพรรดิอีกแล้วก็ดีกว่าเนาะมันมันพ้นจากการที่ต้องเวียนว่ายตายเกิดนับพ้นชาติไม่ถ้วนเนี่ยพระเจ้าก็เลยบอกว่าการเป็นพระโสดาบันเนี่ยดีกว่าเ น, ะ น, นาะขณิ tha ต่อไปอีกสองตัวนะคือละสามตัวแรกเนี่ยได้เป็นพระโสดาบันและเป็นพระสกิทาคามีพระสกิทาคามีเนี่ยก็เกิดอีแค่ชาติเดียวเนาะ เราทละอีกสองอย่างก็คือปฏิฆะก็คื อ, อความที่เรามีมีความโกรธมีความหงุดหงิดมีความขัดเคืองมีความพยาบาทต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะแล้วก็กามราคะก็คือความติดในการนะอันนี้ก็มาเน้นในเรื่องของกามราคะเลยนะคือเรื่องทางเพศนั่นเองเนาะอันนี้ทละได้เด็ดขาดในตรงนี้ก็เป็นพระอนาคามีได้ อันนี้ก็เมื่ออ่าตายไปแล้วก็เกิดเป็นพรมนะเกิดเป็นพรมอย่างเดียวไม่ต้องกลับมาเกิดใหม่แล้วแล้วก็ไปบรรลุในชั้นพรมเป็นพระรหันแล้วก็ท้ล้ได้อีกห้าตัวนะก็คือรูปปราคะกก็คือมีมีการติดในรูปชา่นั่นเองนะรูปชาะติดนิมิตต่างๆเป็นต้นแล้วก็รูปปราคักคือการติดในรูปชาตินะคือการติดในรูปต่างๆอันนี้ถ้าไปติดในรูปชาตก็จะไปเกิดเป็นรูปพรม นะ น, นี้ก็ไม่บรรลุปเป็นพระรหันต์แน่นอนนะต่อมาก็คือมานะก็คือการที่เราคิดว่าเราดีกว่าเขาเราเรวกว่าเขาเราเสมอเขานะต่อมาคือกุทธจักก็คือความฟุ้งซ่านตัวสุดท้ายก็คืออวิชชาก็คือเราไม่รู้ความไม่รู้ทั้งหลายแหละนะอันนี้ก็ทละได้หมดนีก็เป็นพระรหันตนะ์เพราะฉะนั้นถ้ามันละตัวแรกได้ก็คือสักในทิฐิแล้วมัน ตัวอื่นมันก็ไม่ยากเนะมันจะล้มเป็นโดมิโนโได้ง่ายๆเพราะเมื่อมไม่มีตัวไม่มีตัวเราแล้วมันก็ไม่มี <c oughs> ไม่มีกิเลสตัณหาต่างๆมากมายมันก็น้อยลงน้อยลงเพราะไม่มีตัวเราแล้วมันไม่มีที่เกาะให้ตัณหากเกาะก็จะน้อยลงน้อยลงไปล้มไปเรื่อยๆเพราะนั้นการที่บรรลุเป็นพระเจ้าก็เริ่มต้นจากสักการะนี่นี่แหละแล้วตัวอื่นก็จะล้มไปล้มไปได้ทั้งหมดเนาะจนเป็นพระรหันได้ก็ไม่ยากเนาะ อันนี้ก็คือการกลับมาค้นหาตัวเราเองนั่นเองนาะกลับมาดูว่าเออเราเป็นอย่างไรนะอ่ะาคั้นนี้การที่เรารู้ตัวเองนี่รู้อย่างไรนะก็คือเมื่อเราจเจริญสติแล้วเราก็จะเห็นอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นได้ง่ายนะรู้จักตัวเราเองอรู้จักตัว เ, เองตามความเป็นจริงแต่มาไม่ใช่ว่าต้องให้เขาดีนะต้องให้เขาเป็นเป็นเราต้องการนะต้องให้เขาไม่โกรธไม่โลภไม่หลงะต้องให้เขาไม่ฟุ้งซ่านให้เขาสงบอันนั้นไม่ใช่ อันนั้นคือไม่ใช่ความจริงนะแต่ความจริงคือเราเห็นความจริงในร่างกายจิตใจแล้วนี่แหละตามความเป็นจริงนะอืเขาเขาโกรธก็รู้เขาโกรธนะเขาโลภก็รู้เขาโลภนะเขามีราคาก็รู้มีราคะอาก็คือเรารู้ตามความเป็นจริงนะอันนี้ก็มังจะตรงกับในจิตตันฑ์ปัสนาสติปัฏฐานบอกว่าจิตมีราคาก็รู้มีราคะจิตมีโทสะก็รู้มีโทสะจิตมีโมหะก็รู้มีโมหะเนะก็แค่เรารู้ตามความเป็นจริงเท่านั้นเองนะเราก็รู้ไปเอจิตเราเป็นยังไงก็รู้ไป เห็นตามความเปจริงที่เขาแสดงออกนั่นแหละเมื่อเราเห็นเขาแสดงออกแล้วเราจะรู้ว่าเออตรงนี้นะมันก็คือสภาวะที่เขาเกิดขึ้นมาตั้งอยู่แล้วดับไปไม่ใช่ตัวไม่ตนบังคับบัญชาไม่ได้นะก็คือเห็นตามความเจริงนี่นั่นแหละตรงนี้ก็กลับมารู้เฉยๆนะรู้เฉยๆแล้วเขาก็จะแสดงความจริงในการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปในการที่เขาไม่เที่ยงไม่แน่ไม่นอนในการที่เขาแสดงความแปรปรวนเป็นของชั่วคราวนะถ้าเห็นสภาวะธรรมเรานี่บ่อยๆก็จะเกิดความก่อใจว่านี่แหละ มันเป็นสิ่งเราบังคับเขไม่ได้เมื่อบังคับก็ไม่ได้ก็คือไม่เที่ยงแล้วอย่างนี้เขาเขาเกิดก็มาเองนะมันไม่ใช่เราเขาเกิดหรอกใช่ไหมเราบังต่างๆๆเราเนี่ยเราบางรังเขาเขาไม่ได้เขามาแล้วก็ไปนะเขาเกิดเขาเองก็เป็นเรื่องของของเขาเองของเขาเองไม่ใช่เรานะเราเป็นผู้รู้ผู้ดูเท่านั้นเองเนาะเพราะในเมื่อร่างกายจิตใจไม่ใช่ของเราแล้วสิ่งที่เกิดจากอ่าร่างกายจิตใจอ่าเช่นอาการต่างๆของจิตความโลภความโกรธความหลงเป็นต้นก็จึงไม่ใช่ของเราด้วยนะ อันนี้ก็คือเป็นสภาวะที่เขาเกิดขึ้นมาเองตามเหตุตามปัจจัยไม่ใช่ตัวเมตตนนะเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งทุกอย่างคือธรรมชาติหมดเลยเนาะร่างกายเราก็เป็นธรรมชาติจิตใจเราก็เป็นธรรมชาติเพราะทุกอย่างก็เป็นไปนตามธรรมชาติอยู่แล้วระบังคับก็ไม่ได้เป็นไปตามสวธรรมอันนี้ถ้าเป็นของเราจริงก็ต้องอยู่เราตลอดไปนะความโกรธก็อยู่เราตลอดไปใจเขาก็อยู่แล้วเขาก็ไปนะหรือความรัก เราอยากก็อยู่เรานานๆเขาก็ไปนะทุกอย่างเข้ามาแล้วก็ไปหมดเขาก็แสดงให้เห็นนิ้วเล้วเขาเกิดแล้วก็ดับแล้วเราไปเราเป็นความเข้าใจผิดเป็นความเข้าใจผิดของเราเองก็คือเราไปยึดเป็นเรานะร่างกายจิตใจของเรานะต้องได้เป็นความเข้าใจผิดเราเองเพราะจริงๆแล้วเขาก็ไม่ยังเราตั้งต้นแล้วแต่เป็นความเข้าใจผิดที่เราไปยึดเนาะมันเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งที่มันแสดงสภาวะแห่งการตั้งอยู่แล้วดับไปนะเป็นความที่เรียกว่ามันไม่มีอยู่จริงนะเป็นมายานะตรงนี้เราก็ไปยึดเอาเนาะ เพราะการบัตรธรรมก็กลับมาเห hmm. awesome. like like ็นในตรงนี้บ่อยๆการมาเห็นความทุกอย่างนะมันก็บังคับเขาไม่ได้หรอกถ้าบังคับได้่านนี้เราดีแล้วปฏบัติธรรมมันต้องดีตลอดมันต้องดีทุกๆวันมันต้องไม่มีการเสื่อมเลยนะอทั้งหลายแหล่มันไม่มีการเสื่อมแต่มันก็ไม่ดีมันนี่แหละเขาแสดงให้เห็นแล้วบางวันก็ดีบางวันก็ไม่ดีก็คือระบังคับก็ไม่ได้ก็จึงมีความไม่เที่ยงเป็นทุกตรงเนี้เราเห็นไหมเห็นไหมเห็นบ่อยๆแล้วจิตก็ก็จะเข้าใจความจริงในตรงนี้ว่ามันไม่ใช่ตัวไม่ตน นี่แหละคือการละสักกิระได้ในตรงนี้เนาะการมาเห็นไม่บ่อยรูปเห็นรูปเห็นน้ำเหมือนกาสมัยเด็กอมเทียนนั่นก็เข้าใจธรรมะเนี่ยตอนที่ท่าน <c oughs> ช่วงใหม่ๆท่านปฏิบัติธรรมนะั่นก็เห็นแมงป่องแม่รูกอ่อนตกมาที่หลังเท้าของท่านท่านก็เห็นโอ้แมงป่อง <c oughs> มันก็เป็นแค่รูปแค่าน้ำนะท่านก็เป็นแค่รูปแค่านาำเหมือนกันเพราะนั้นมันก็เลยไม่มีความกลัวรูปนามก็เท่ากันนะตรงนั้นจิ๊กเลยเข้าใจสภาวธรรม นะหลังนั้นจิตก็ท่านก็เข้าถึงความเป็นธรรมะบรรลุธรรมได้เร็วนะก็คือเห็นความบรรูปเป็นนามนั่นเองเนาะตรงนี้ก็คือกลับมาเห็นร่างกายจิตใจนะัมันก็เป็นแค่รูปแค่านามหรือเป็นแค่ร่างกายเป็นแค่จิตใจไม่ใช่ตัวเมตตนของเรานะแล้วก็ดูก็ไปนะเห็นก็แสดงอาการไปเดินก็เห็นกายเขาเดินนะเห็นรูป ก, ก็เดินไปไม่ใช่เราเดินนะคิดก็เห็นนามมันคิดไม่ใช่เราคิดนะเห็นใจมันคิดเราก็เป็นแค่ผู้ดู เป็นผู้สังเกตเป็นผู้ดูตรงนี้จิตมันก็จะแยกออกมาเห็นนะมันจะเห็นเออกายก็เคลื่อนไหวไปะจิตเขาก็แสดงอาการเข้าไปนะจิตก็แสดงอาการความโกรธเราเป็นผู้ดูความโกรธเห็นจิตมันไปโกรธเนาะไม่ใช่เราอืมจิตแสดงความโลภก็เห็นจิตไปโลภน่าไม่ใช่เราจิตมีราคะก็เห็นจิตมันแสดงความมีราคะน่าไม่ใช่เรานะมันก็เห็นจิตเขาแสดงแสดงเข้าไปเราเป็นแค่ผู้ดูเองนะเห็นกายเขาแสดงไปแล้วก็เป็นผู้ดูเราก็แยากเป็นผู้ดูเฉย เนี่ย <c oughs> ตรงนี้มันก็เราก็จะสังเกตถึงต่างได้นะมันแยกมาถ้าไม่แยกมันกลายเป็นตัวเราตลอดนะอกลายเป็น <c oughs> เรารักเราชังเราเกลียดเราโกรธเราหลงนะเราน้อยใจเราเสียใจเราเครียดเราเหงาเรากลวัวเราอิจฉาเราหึงหวงไม่ไมีตัวเราตลอดเลยนะอันนี้คือไม่รู้จักตัวเองอันนี้ยังไม่รู้จักตัวเองจริงๆมันก็เลยไปปฏิธรรมมันก็มันก็วนอยู่แค่เนี้มีตัวเรา ตัวเราเป็นอย่างนน้นตัวเราเป็นแบบนี้นะวันนี้เราไปทําดีวันนี้เราไปทํนนา ไ, ทไม่ดีอวันนี้เราโลภเราโกรธเราหลงหนะตรงนี้มันก็ยังเป็นแค่เริ่มตนเท่านั้นเองเนาะการนี้เมื่อเราเข้าใจมันก็คือมันก็สภาวธรรมแล้วก็บังคับเข้าไม่ได้นะ่ะเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งนะธรรมชาติอย่างหนึ่งที่แสดงการที่เราบังเข้าก็ไม่ได้ทั้งนั้นเลยเขาได้แสดงอาการต่างๆเราเห็นนะเกิดแก่เจ็บตายอ่าเป็นสภาวะที่เรียกว่าเราก็บังคับร่างกายไม่ได้เนาะแล้วก็ความคิดความหลงเราก็บังคับก็ไม่ได้ เพรา ะ, ะนั้นความหลงและความรู้มันก็เกิดสภาวะมันก็เท่ากันนั่นก็คือเราบังคับเขาไม่ได้ทั้งคู่นันก็แส ด, แดงว่าไตรลักษณ์เราเห็นแล้วใช่ไหมมันไม่ใช่ว่าตรงนี้ต้องไม่หลงนะตรงนี้ต้องรู้ไม่จําเป็นรู้หรือหลงก็มีค่าเท่ากันนะเราเป็นแค่ผู้ดูเท่านั้นเองนะถ้าเขาจากนี้เราก็เออเป็นเรื่องธรรมดานะร่างกายจิตใจมันจะดีมันจะชั่วก็เป็นเรื่องเขาไม่ต้องไปเอากับมันนะไม่เดาดีกับมันนะแค่รู้ก็พอแล้วใช่ไหมเพื่อแสดงมาไตรลักษณ์ทั้งหมดนะ นะตรงนี้เราก็กลับมารู้ความจริงตรงนี้ไม่ใช่แบบทําทแล้วมันต้องไม่หลงนะต้องดีทุกวันต้องไม่โกรธทุกวันนั่นแหละเป็นตมถะนะคือไปบังคับเขาแปลดีกับเขานะจากการที่เราเห็นอสภาวะจิตใจร่างกายแสดงตามความเป็นจริงนี่แหละคือวิปัสสนานะคือเห็นตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นธรรมะคือรู้ตามที่เขาเป็นนะไม่ใช่เป็นไปตามที่เราต้องการนะเพราะตาม ถ้าเป็นปตามเราต้องการก็คือเป็นสมรถะก็คือการจะเวาดี <c oughs> การที่เอาดีนั่นแหละคือความเป็นตัวเป็นตนนะคือเราต้องการดีดีก็คือตัวเรามันดีนะต้องดีต้องมีเศษเมื่อเราดีแล้วเป็นไงก็เราดีกว่าคนอื่นนะเราปฏิธรดีกว่าคนอื่นเรามีสติดีกว่าคนอื่นนะอเรามีอ่ความเป็ตัวดีกว่าคนอื่นนะมันมี <c oughs> มันจะมีตัวตนอยู่ตรงนั้นตลอดเวลานะมันจะละอัตตาไม่ได้อัตตาจะโตขึ้นเะ เราปฏิบัติธรมแล้วมันไม่เอาดีก็คือเห็นตามความมันจริงดีก็ได้ไม่ดีก็ได้ไปเรื่องมันทั้งหมดนะเป็นแค่ผู้ดูทั้งนั้นเองมันก็จะตกออกจากตัวจากตนได้เห็นตามความเป็นจริงเท่านั้นเองนะทุกอย่างมันก็เลยไม่เอาดีไม่เอาดีมันก็มีความสุขมีความสบายเมือมันแสดงความมันจริงแล้วนะบังคับก็ไม่ได้หลงก็ไม่เป็นไรรู้ก็ไม่เป็นไรมีสติก็ไม่เป็นไรไม่มีสติก็ไม่เป็นไรเนาะเห็นตามความเป็นจริงค่ันี้ก็สบายนะแต่ไมื่อเห็นแล้วมันไม่มีสตินะตรงนี้มันสุดยอดของสติเลย เป็นทั้งสติทั้งปัญญาในตัวเป็นผู้ดู watching not being เป็นผู้ดูนะตรงนี้เห็นปับ๊บโอ้สบายมันออกจากความทุกข์ได้แลนะ้วเนาะถ้าเป็นผู้ดูนี่แหละมันที่หลวงพ่อคำเขียนบอกนะเป็นผู้ดูไม่ผู้เป็นนี่แหละสุดยอดตรงนี้นะมันเป็นธรรมะระดับของเพชรแห่งธรรมนะเพชรแห่งธรร ม, มบางทีบอกว่าเออในห้องนี่มีเพชรไหมเราไม่รู้มีหรือเปล่าแต่เราค้นไปเออมันก็มีเพชรจริงๆใช่ไหม แต่หลวงพ่อบอกว่าเออมันเป็นเพศทางธรรมแล้วทําไมเราไม่มค้นหาในใจเราเนะมันอยู่แค่ในใจเราทั้งนั้นเองเนะเราก็ค้นหาไปเออมีจริงไหมเพศทางธรรมมีจริงไหมใช่ไหมเมื่อไม่อยู่จริงเราจะรู้ว่ามันก็คือเพศทางธรรมจริงๆเนาะหลังนั้นเราจะรู้ว่าเอออะไรมันก็คือความจริงอะไรคือของปลอมใช่ไหมของปลอมมันคือไม่จริงจริงของจริงคือก็คือไม่ใช่ของปลอมแต่จริงๆมันก็ไม่มีทั้งสองอย่างไม่มีทั้งของจริงและของปลอมเพราะทุกอย่างมันก็เป็นอนัตตาทั้งหมดไม่ให้ตัวเมตตน มันจึงไม่ได้ไปยึดอะไรทั้งสิ้นเนาะมันก็สภาวะก็มาแล้วไปเกิดแล้วก็ดับแล้วก็ไม่มีสิ่งใดเราต้องไปยึดถือเป็นเรื่องบ้างเปล่าเรื่องสมมุติเรื่องมายาทั้งหมดเนาะเพราะนั้นไงกระจก็คือมายาและสมมติทั้งหมดไม่มีอะไรต้องยึดถือทั้งหมด ม, มันก็จิตมันก็อา่ามันก็จะเห็นความทุกข์แล้วก็พ้นจากความทุกข์ได้เนาะตรงเนี้ยสภาวะธรรมก็เป็นเรื่องที่เรียกว่าเราเบลอะไรเขาไม่ได้ความทุกข์ก็มาแล้วก็ไปความสุขมาแล้วก็ไป ไม่มีอะไรจีรังยั่งยืนไม่มีอะไรที่ทเที่ยงแท้แน่นอนนะสภาวะต่างๆมันก็คือเราไปยึดเลยไม่ได้สักอย่างนะยึดดีก็ไม่ได้นะถ้ายึดดีเราก็ไปติดดีนะติดดีก็ไปเห็นเออคนนี้ไม่ดีนะก็ไปเพ่งโทษไปอ่อะยึดถูกเราก็ไปเพ่งคนที่ทําไม่ถูกอนะตรงนี้ก็เป็นการยึดการติดนะจิตก็ไม่เป็นกลางจริงๆนะเพราะสภาว ะ, วะที่มันไม่ยึดอะไรนั่นแหละก็คือความนี้มันไม่ต้องมีอะไร ไม่เป็นอะไรไม่เป็นอะไรกับอะไรเนาะตรงนี้เราก็สภาวะต่างๆนี่ก็เกิดขึ้นมาตามธรรมชาติเมื่อเราเข้าใจนะมันเป็นเรื่องที่สภาวะของเขาเองไม่ใช่ของเรานะเป็นอะไรไม่เป็นอะไรก็คือเป็นของเขาเองไม่ใช่เราทั้งหมดนะตรงเนี้ยสภาวะธรรมมาแล้วก็ไปไม่ใช่ตัวเมตต์ตนเนาะนี่แหละถ้าเราเข้าใจเนี่ยมันก็ไม่มีความทุกข์นะทุกข์มันก็เป็นเรื่องธรรมดานะสุขก็เป็นเรื่องธรรมดาไม่ได้ยึดอะไรสักอย่างหนึ่งเนาะจิตก็เลยสบายเนาะอ่า ตรงนี้ก็คือสภาวธรรมที่เรียกว่าเราก็สามารถขึงได้นะมนไม่ยากหรอกใช่ไหมเพราะในท้ายสุดนี้ก็ขอรัตนาบารมีคุณพระไตรน้อมนับุตท่านเจริญฤทธิ์ศีลสติสมาธิปัญญาและถึงซึ่งความพ้นทุกได้โดยเร็วพานุกท่านเทอนิน